พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุณีใดไปสู่และแวกหมู่บ้านรูปเดียวข้ามฝั่งแม่น้ำรูปเดียวหรือออกไปอยู่ภาคแรมในราตีรูปเดียวแม้ภิกษุณีนี้ก็ต้องทำคือสังฆาทิเศษชื่อปฐมาปฏติกะนิสรณีิยะศิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุณีหลายรูปจบ